พระธรรมเทศนาแผนที่108ดลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่27มีนาคม2560มีชื่อเรื่องว่าหลงป่าดีกว่ามหาหลงวันนี้เป็นวันที่27 มีนาคมพุทธศักราช2560พวกเรามผมเองก็ออกมาจากวัดตั้งแต่หลายวันแต่พวกเรางานของคุณแม่ของเราก็คิดว่าจบเมื่อวานนี่แหละเมื่อเสร็จแล้วเราก็คงจะกลับวัดของเรา พอว่าไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรทักทุกเสียงทุกอย่างราบเรื่นทั้งจตุปใจถวายพระสงฆ์อะไรก็ไม่มีปัญหาพี่น้องประชาชนก็เรียบร้อยพระสงฆ์ก็เรียบร้อยตามที่เจียงน่าจะกลับวัดเมื่อวานนี้ได้แต่เมื่อเรามาตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่พอมาถึงวัด ทำจะพุงประมาณสองพุ่งจากประชุมจากขอนแก่นมามากับฝนตกเกือบว่าตลอดทางแถวบอบเภอเชียงยืนยางตลาดตกแรงมากฝนแปลกฝนผิดฤดูก็ไม่ใช่ผิดฤดูทําเดือนสีแล้วเนี่ยพอมาถึงที่นี่ทราบข่าวว่าพระสององค์หายเราก็เออตาย ดังนั้นเวลาตอนเช้าเาก็ไปฉันจังหารที่มุกดหารพอฉันกลับมานะพระยังไม่เห็นเราก็เลยตามไม่จริงแผนของเราคือฉันจังหันที่มุกดาหารเสร็จแล้วเราก็จะไปกราบหลวงปูบ่บุญมีปริปุนโนที่อําเภอยะโสธรวัดอะไรเยฮะ วัดศิลาร ว, วัดป่าศิลาพรวัดป่าศิลาภรณ์เราจะไปทางนู้นพอฉันยตงหัดยังเสร็จมุกตาหารแต่นี้มันก็พอฉันจะหัรเสร็จแล้วก็ทราบข่าวว่าหลวงปู่ล้วนวัดศรีมงคลเหนือที่เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเป็นอาจารย์สวดองเดียวนะ ไม่ไม่มีอนุสาวนามีกรรมวาจาองค์เดียวสวดหลวงพ่อทราบว่าท่านป่วยไม่สบายที่ที่โรงพยาบาลมุกราหารออพอฉันจันเสร็จนั่นเราก็ต้องไปกราบเยี่ยมท่านกราบคารวะท่านก็ขึ้นไปกราบท่านพอกราบท่านเสร็จแล้วก็ ท่านก็ว่าวันพุ่งนี้จะได้ออกอาการดีขึ้นทุกอย่างรับรู้รับทราบหมดทุกอย่างสรุปสาเหตุที่ท่านป่วยก็คือท่านหกล้มไปปัดกวาดทะลื่นอหกล้มหกล้มหกล้มเสร็จแล้วก็ไปหาหมอหมอก็ตรวจสุขภาพทุกอย่างแล้วมันมีอะไรหมอให้กลับวัดพวกกลับวัดเข้าไปมีไข้อมีไข้ขึ้นมาท่านเลยท่านบอกไม่อยากจะพูดอะไรเงียบไปเลย เขาเลยเอากลับมาโรงพยาบาลอีกเราก็ได้สินสารข่าวอยา่นั้นั็ว่าอาการหนั ก, กเราก็รีบเขาไปกราบท่านท่านก็ดีขึ้นแล้วละ่ะท่านจะกลับไปวัดของท่านเมื่อวานเนี่ยมั้งแต่เรากลับมาถึงมาถึงวัดพระก็ยังไม่เจอเนะยังหาพระไม่เจอพระสององค์ที่หายขึ้นบนภูเขาพอเกือบ 11บอดโมงยังค่อยทราบข่าวว่าพระลงมาแล้วไปเห็นพระพระหลงทางในป่าแต่นี้ก็เราจะไปวัดของปู่ก็สายเกินไปแล้วก็เพราะว่าตอนเย็นจะได้สวดมนต์ที่วัดของคุณแม่ด้วยวันที่จีบห้าสวดมนต์แล้วก็แสดงธรรมเทศนา ที่ยี่บหกตอนเช้าบินทบาทชั้นเช้าอันนี้คืองานของคุณแม่มีกำหนดการอย่างนั้นดันั้นหลวงพ่อเองก็เลยมาพิจารณาดูแล้ืไปกราบหลวงปู่มีคงจะพักไว้ก่อนคงจะไม่มีโอกาสข่าวนี้เพราะว่ามันเวลากระชั้นชิดเกินไปไปรีบไปรีบมารีบมารีบไปนรู้สึกว่าคงไม่ไหวละและงด อก็ทราบข่าวว่าหลวงปูส่สวงมรณะภาพเมื่อวันที่ยี่สิบห้ามีนาหกศูนจากนั้นอพวกเราก็ได้ไปสวดมนต์วันที่ยี่สิบห้าที่วัดคุณแม่หลวงพ่อก็ได้แสดงธรรมเสร็จแล้วก็ตอนเช้าวันที่ยี่บหก็ฉันจงหันแล้วเรามาใกล้หลวงปู่ สวงที่ท่านม ร, มราณะภาพแล้วก็หลวงปู่บุญมีที่เราตั้งใจจะไปกราบท่านจะไปร่วมสมทบอปปัจัยไปถวายท่านเพื่อสร้างพระเจดี เ, เราควรจะไปวันที่26นี่นแหละพองานคุณแม่เสร็จแล้วก็เราคงจะไปเลยนี่นแหละคือความตั้งใจก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนแผนใหม่ทั้งที่จะกลับวันที่26กลับวัดเพราะวันที่27เป็นวันพระใหญ่ ก็คงจะได้พบกับคณะาทศไทยญาติโยมพระเนนลูกหลานในวัดของเราด้วยเด็กเราก็เลยเปลี่ยนแผนใหม่เมื่อวานก็เลยไปกราบปกอ ง, งานคุณแม่เสร็จแล้วก่นนั่งรถกับคณะลูกพระ ท, ที่มาจากวัดติดตามไปเข้าไปกราบศพหลวงปูส่สวงเอาไปถวายปัจจัยท่านแล้วก็ถวายผาดตรท่าน เสร็จแล้วเราก็มากราบลงปูบุญมีมาเห็นเจดีของท่านแล้วก็ยังอยู่ท่อนบนยังไม่ได้ติดหินแล้วก็คงจะข้างในเราก็ไม่รู้ท่านว่ายังมีเพดานอะไรแต่ว่าพื้นก็ติดหินกราบเรียนท่านท่านกเา็เล่าให้ฟังท่านเสียงไขว้มากแต่ก็มีผู้แปลออกมาให้ฟังท่านก็ยังจําได้ทุกอย่าง ีจดีกว้างเท่าไรสูงเท่าไรแต่ท่านก็บอกว่าคงจะเป็นงวดสุดท้ายแล้วถ้าติดเสร็จนี่ก็คงจะจ่ายเราก็เห็นว่าข่าวก่อนเรามาถวายท่านครั้งหนึ่งหนึ่งแสนครั้งที่สองห้าแสนแต่คราวนี้เราก็เลยถวายองค์ท่านอีกคณะสงฆ์วัดป่านาคำน้อยและคณะสัทยาญาติโยม ถวายท่านสองแสนเมื่อวานถึงขราวเนี่ยเพราะว่าเราเกษตรกิจน้ำท่วมป่อแปดเต็มทนเหมือนกันแล้วก็พร้อมกันศรัทธาญาติโยมที่ติดตามไปด้วยร่วมสมทบอีกหกเมื่นเป็นสองแสนหกแต่เขาถวายปัจจัยท่านไม่รู้ใครเป็นถวายเช็คนะถวายเช็คหลวงปู่ ท่านก็พูดมูมาบู ม, มาบู ม, มาเราก็ไม่ได้ยินว่าท่านเป็นพูดเป็นภาษาท่านพระก็รู้ว่าท่านมีเจตนาว่าจะได้เช็ดที่เขาถวายท่านหนึ่งแสนบาทเขาก็ไม่ได้ระ บ, บุอะไรไมีถวายบุระ บ, บุถวายท่านท่านก็เอามามาเถิดเด็กเอ๋ถวายท่านอาจารย์อินเขาพูดพระผัวท่านอาจารย์ครับหลวงปู่จะเอา เช็คไม่ถวายท่านอาจารย์โอ้ดูแลนี่แหละน้ําใจของนะครูบาอาจารย์นะพอเราไปเห็นเหมือนกับเห็นพวกน้องๆเห็นแล้วนกะ็เอาถวายเจตุปัจจัยเราก็ทิศถวายท่านท่านก็ทิศถวายเรานะคนสุดเราก็ได้รับพอ ร, ร, รับแล้วเสร็จแล้วเราก็ประกาศบอกให้ศรัทธาญาติโยมนี่นะ เรบอกให้พานเนรเนี่ยนะครูบาอาจารย์หลวงปู่ท่านเอาปัจจัยถวายหลวงพอนะ่อหน้าหนึ่งแสนเป็นเช็คที่เขาเขียนเนี่ยแต่หลวงพอ่อได้รับแล้วหลวงพ่อขอมอบถวายคืนก็องหลวงปู่กอให้หลวงปู่ใช้สั่งพระเจดีย์ของหลวงปู่ให้แล้วเสร็จพระเจดีย์หลวงปู่ยังไม่แล้วเสร็จเพราะนั้นกระผมรับแล้วกระผมขอถวายคืนก็เป็นอนวานเรา ถวายหลวงปู่สามแสนไม่ใช่่ะเอเพราะหลวงปู่ถวายเราเราก็ถวายคืนเนี่ยท่านเราเอามากับแปลว่าเป็นของเราฮเนี่แหละเราผสมทบหลวงปู่เขาไปอีกเนี่ยนะน้ำใจของหลวงปู่ครูบาอาจารย์หล้ลนเหลือท่วมทนทั้งที่ท่านพูดไม่ออกถึงขนาดนั้นใจของท่านเนี่ยเต็มเต็มร้อยกับหมู่กับเพื่อนอ กับพระกับเนรไม่ใช่กับเราคนเดียวหรอกกับพระกับเนรกับหมู่กับเพื่อนทุกองค์นั่นแหละนี่แหละน้ําใจของครูบายจาย์นี่แหละเมื่อวานเราจะกลับไปวัดบางกกเหนื่อยเกินไปอีกพ่อแฝงจังเด็มาพักที่ทำจะพุงแต่มก่อนที่จะขึ้นมาเราก็คิดว่ามีเวลาเออก็เลยถือโอกาสขึ้นไปกราบพระเจดีย์หลวงปูงล่ลาเพราะว่าปีที่แล้ว เมื่อเมษการาทีแล้วเนี่ยงานครบรอบของท่านเราก็ไม่ได้ขึ้นเราไม่ได้มาเพราะเราเป็นวัดเป็นไข้วัดเป็นไอไม่ไหวเราก็หยุดมดแต่เมื่อเสร็จแล้วเราก็ได้คราวนี้ได้มาเลยค่ะสุขภาพพอไหวได้ขึ้นไปกราบเจทียหลวงปูงล่ลาปคณะสงฆ์เมื่อวานเนี่ยไปทํากราบคารวะท่านมหาเทเรปรมาเทน ะ, ะถึงเราจะ อยู่ห่างไกลในใจของเราไม่มีความประมาทแต่มันอาจจะมีสเสวบบางเสียงบางอย่างการพูดกันแสดงออกออกด้วยกายวาจายใจจุดใดจุดหนึ่งอาจจะมีการบกพ่องแล้วก็เราได้กราบคารวะได้ประมาทผาพดพังองค์หลวงปูด่ด้วยกายวาจายใจหลวงปู่โปรดองโหสิกรรมค่จะจานั้นเราก็กราบเสร็จแล้วก็ลงมามาพักที่วัดธรรมสุพงเมื่อคืนนี้ ตอนเช้านี่ก็เนี่ยก็เป็นวันอุโบสถเป็นวันพระใหญ่เดือนสีดับนะเราจึงได้มาลงอุโบสถเมื่อเช้านี้แต่ทั้งยังไงก็าตามที่เราเ ล, เล่าเลียงให้ฟังก็เพื่อเป็นการทดทบทวนความจําส่วนหนึ่งและก็เป็นการทบทวน ให้พวกเราท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบหลวงพ่อไปณสถานที่ใดทําอย่างอะไรไปบ้างก็ให้พวกเราท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบกันพร้อมกันวันนี้เป็นวันอุโบสถพวกเราอยู่ในศีลอยู่ในสีรายจารวัฏอย่าตั้งอยู่ในความประมาทถึงจะไปอยู่ณสถานที่ใดจะไปเที่ยวเท่ยเล่เล่เเลรอนนเลเลเทเล่ลเเลือนเล่อเพราะชีวิตของเราเรา มองไว้อยู่เสมอว่า <Hey. S 1> หายใจไม่เข้าหายใจไม่ออกตายทั้งนั้นอันนี้ไม่ใช่เอาความตายมากู่กันจริงไหม <Hey. S 1> พูดถามเพียว่าถ้าว่าไม่จริงไม่จริงใช่ไหมถ้ <Hey. S 1> จริงทุกคนก็ยอมรับเพราะผมพูดผมก็ยอมรับอย่างนั้นเผลอเผล อ, อนอนหลับไปหายไหลาตายก็มี รถชนตายก็มีมีมากมายเรื่องความตายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเพราะนั้นชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมของพวกเราจะไปชราใจจะไปะคิดว่าตัวเองจะไม่ตายง่ายอย่างนั้นมันไม่ถูกทางนั้นแหละเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านอพอมีเวลาขนั่งภาวนาพอมีเวลาเดินจงกรม อ, อย่างที่พระหลงป่าคุณเหมือนกัน สมัยเสืออยู่ในปานะ่าฮะก็น่าคิดเหมือนกันนะ อ, อันนี้ดีดแถวเนี้ยไม่มีเสื อ, อถ้ามีจะ ม, มีผีบังบดนะะผีบังบทผีบังบทส่อนไว้แสดงว่าพระไม่เคยเรียนวิชาลูกเสื อ, อถ้าเป็นาเรียนวิชาลูกเสือแล้วก็ถ้าไปน่าจะฐานที่ใดที่มันจะหลง เราก็ต้องมีไม้หักลูกขีดแผ่นดินเอาไว้หรือเอาไม้พาดเอาไว้เป็นลูกสอนเอาไว้หรือว่าอย่างน้อยก็ถักต้นไม้แล้วเอาไม้เนบเอาไว้อันนี้มันมีมีดเนพระทำมันอย่างนั้นไม่ได้แล้วก็ต้องมีไม้มีอะไรขวางซีไปทำมันเป็นทางพาดอันนี้คือพิชชาลูกเสือเขาสอนกันอันนี้คงจะไม่มีไปก็เข้าป่าหลับหวหลับตาไปเลย ซุ่มซุ่มซ้ำา้ไปกันหลงทิศหลงทางทั้งที่มันไม่น่าจะหลงเลยมันหลงได้อย่างดีนะหลงป่าหลงรองเลยขนาดหลงป่าหลงรงก็ยังทุกขนาดนี้นะถ้าหลงกิเลสตัณหาหลงราคะโทสะโมหะหลงตัวเองว่าจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะหลงตัวนั้นนะมหาหลงเลยนะหลงแบบมืดแปดทิศแปดด้านอหลงอย่างนั้นแปลว่าถ้าหลง ไปแล้วยังไปแล้วยังทําความชั่วอีกท่านนี่เอ่ห์สิงนี้ที่มันชั่วทําอีกอพอทําความชั่วเข้าไปนี่แหละลงหลุมลึกลงนรกหลุมลึกเลยท่นี่พอมันหลงแต่หลงป่าเพียงแค่นี้ยังกลับมาได้อแต่ต่อไปต้องระมัดระวังหลวงพ่อบอกให้มาช่วยงานให้มาดูให้มาดูม า, ดมาแล่สถานที่ หลวงพ่อไม่ได้ให้มาทะเลถลายมาเที่ยวมาเตะมาหลงป่าหลงรงอย่างนั้นนะให้มาดูงานที่จัดพระมาทั้งสิบกว่าองค์สิบสามองค์เสร็จแล้วมาจัดที่พักมาดูของที่ถวายที่จะมอบให้คู่ควรมีอะไรบ้างเป็นหูเป็นตาแทนหลวงพ่ออกลับมาเนี่ยมาหลงมาเป็นภาล่อีกพวกท่านท่านอะไคิดดูเสียมันถูกไหมต่อไปอย่าให้มีอีกเรื่องอย่างนี้ ไปนัดสถานที่ใดไปตามคําสั่งของครูบาอาจารย์ไปตามตามคําสั่งหลวงพอ่อหลวงพ่อถือว่าพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นหูเป็นตาเป็นไม้เป็นมือเออเป็นเรื่องขององวงพอ่อเป็นอวัยวะของหลวงพ่อทั้งหมดเออมาแล้วก็ต้องทำหน้าที่แทนแข่งแทนขาแทนตีดแทนมือแทนหูแทนตาของหลวงพอ่อมันจึงจะถูกไปนสถานที่ใดถ้าเราไปตามลําพังอีกอย่างหนึ่งอันนี้ไปใน ตามหลวงพ่อที่หลวงพ่อไว้เนื้อเชื่อใจแล้วถึงได้ให้พวกเราท่านทั้งหลายมาทําการทํางานมาทําการทํางานนะั่นมันคิดมันถูกไหมสิ่งเหล่านี้เราไม่อยากจะดูด่า ว, ว่า ก, กาวเพิ่มเติมแต่มีแต่สอนบอกกาวเท่านั้นแหละให้สํานื้ไปน่าสถานที่ใดให้รู้จักไปน่าสถานที่ใดนั่นแหะ วันนี้พวกเราฉันยังหันเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรเราคงจะกลับบ้านนะหรือว่าผู้ใดนะยังไม่ได้กราบคารวะวัดหลวงปู่จามยังไม่ได้ไม่ยังไม่เข้าไปก็ให้พวกท่านทั้งหลายแวะเอาไปนะไปกราบคารวะหลวงปู่จามซะก่อนอยังพอยกลับวัดแต่สําหรับผมผมกราบมาแต่ทีแรกนะวันแรกผมก็เข้าไปกราบที่พระราชทานเพลิงศพองค์งงท่านและกราบรูป ที่ซาลาทุกดึกทุกอย่างแล้วล่ะปรัพระเจดีของท่านกับพระาธาตุในพระเจดีถ้าใครยังไม่เคยเห็นพระาธาตุของพู้ะอจามย์ก็ขึ้นไปกลับพระาธาตุของท่านก่อนจ ย, ยกลับวัดก็ไดนนขา ก, นกับกนะพอรถเรามามาทั้งสาคันามหรือสี่คันฮะส่ฮะสี่ังของหลวงพ่ออรถมาทั้งสี่คัน อย่างพวกเราจะไม่เคยเห็นกับข้าไปกลับหลวงปู่จามก่อนจะค่อยเดินทางกลับเอาตอนนี้ไปสุดท้ายปฏิโมกติน